ตอบแทนพระคุณบิดามารดาระยะต่อมาด้วยความระลึกถึงพระคุณของโย ม, มารดาอยากให้โยมมารดารู้เห็นและพบความสุขจากธรรมนี้บ้าง